เราจักแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงตั้งใจฟังให้ดีเถิดเมื่อพราหมณ์ทูลรับคำแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์มีข้ออุปมาว่าบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้มีแก่นยืนต้นอยู่ละเลยแก่นกับพีเปลือก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 ด้วยรู้จักแก่นไม้ทั้งจะได้รับประโยชน์จากแก่นไม้นั้นด้วยดูก่อนรามข้ออุปมาก็ฉันเดียวกันนั่นแหละคือกุลระบุตรบางคนในศาสนานี้มีศรัทธาออกบวชไม่ครองเรือนโดยคิดว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความคร่องครวญความไม่สบายกายไม่สบายใจ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 ที่มีสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เข้าสัญญาเวทายตานิโรธคือสมาบัติชั้นสูงในพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อเข้าแล้วทาให้ดับสัญญาความจำได้หมายรู้และเวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกหรือไม่ทุกไม่สุขได้อสุวะของภิกษุนั้นสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา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 สำหรับพระสูตรนี้พรามปิงคละโกจัะถามถึงครูทั้งหกซึ่งเป็นเจ้าลทัทธิมีชื่อเสียงในครั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ส่งวิภาควิจาร์จึงทรงแสดงธรรมะให้ฟังตามที่ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กว่าการวิภาควิจารคนอื่นสำหรับคำว่าการทำที่สุดแห่งทุกเป็นสำนวนบาลีหมายถึงกาจัดทุกได้หมด